คุทธบรษัทคารวาดญาติโยมผู้ครองเวนได้ลองมาอยู่มาปฏิบัติแบบนักบวชหนึ่งวันด้วยกันทุกๆ7เจ็ดวันให้มาลองอยู่แบบนักบวชปฏิบัติแบบนักบวช ด, ด้วยการถือศีลของนักบวช ก็คือศีลแปดเพราะว่าการที่จะเข้าถึงทำขั้นสูงได้คือทำขั้นสมาธิและขั้นปัญญาได้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนมา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับให้ใช้เวลานี้ให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อทำอันสูงทำขั้นสูงได้แก่สมาธิคือความสงบและปัญญาคือความสว่างจะได้ปรากฏขึ้นมาในใจได้ ถ้าไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะทำให้ำํำทำขั้นสูงนี้ทำให้สมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้นี้จะเป็นไปได้ยากพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดอนพระขึ้นมาเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมผู้ครองเรือน ผู้ที่มีแต่ความยุวุ่นวายกับการทํามาหากินหาเงินหาทองหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกฤิ่นรสโผฏฐาภะได้มีเวลาละเวน้นการหาความสุขเหล่านี้สักหนึ่งวันด้วยกันเพื่อที่จะได้มาหาความสุข ที่สูงกว่าที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิริยนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปารรังสุขรังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีไม่มีความสัในในโลกนี้ ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่เช่นมีเงินมีทองกองเท่าภูเขามียศมีตำแหน่งสูงขนาดประา ธ, ปธานาธิบดีหรือพระราชามหากษศัตร์ก็จะสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สง บ, บไม่ได้และความสง บ, บของใจนี้ จะคุ้มครองใจไม่ให้ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจถ้ามีสมบัติน้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมียศมีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ไม่สามารถปกป้องใจไม่ให้ก่อยความทุกข์เวลาที่มีสิ่งต่างๆมากระทบกับใจได้เลยแล้วก็ สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเช่นสมาธิและปัญญาก็จะอยู่คู่กับใจไปตลอดจะไปกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไปให้ความสุขกับใจไม่ว่าจะอยู่พบใดภูมิใดไม่เหมือนกับราบยศรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆที่ ที่จะต้องหมดไปเมื่อร่างกายถึงแก่ความตายใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่สามารถหอบเอาราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆไปกับใจได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็จะไปแบบลักษณะของผู้ขอทานไม่มีทรัพย์อะไรติดตัวไปเลย ไม่เหมือนกับผู้ที่มาบําเพ็ญเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาความรู้ความฉ ล, ลาดที่จะสามารถเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ติดตัวไปได้เอาความสงบจากสมาธิไปได้เอาแสงสว่างแห่งปัญญาติดไปกับใจได้แสงสว่างนี้แหละที่จะนําพาใจให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ออกจากไตรภพคือออกจากการมมาภพออกจากรูปภพและออกจากอารมณ์ภพได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถที่จะทําพาให้ใจได้หลุดออกจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้เลยมีการศึกษาธรรมมีการปฏิบัติธรรม มีการเจริญสตินั่งสมาธิมีการฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะนำพาจิตใจให้ไปสู่วิมุตติบุดพ้นให้ไปสู่พระนิพพานที่เป็นที่มีแต่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นปรมังสุขขังนิบบานาังปรมังสุขขังเพราะว่า จิตที่ได้นิพพานแล้วจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกกับการพัดพากจากกันไม่ต้องมาทุกกับการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาะหรือบุคคลที่ไม่ปรารถนาะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามาลองอยู่แบบนักปฏิบัติ มาอยู่แบบนักบวชกันในวันพระเราควรที่จะหยุดการทํางานหนึ่งวันพอแล้วกับการหาราบยศสรเสริญกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิธธ่นรสผลพระมีมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากไปกว่านี้และก็ไม่สามารถกาจัดความทุกข์ที่มากระทบกับใจได้ เป็นความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายการทัดพาจากบุคคลและสิ่งที่เรา ล, กละการที่จะต้องเจอกับบุคคลและสิ่งที่เราไม่ชอบความทุกข์เหล่านี้ราบยศเสรรสริญสุขนี้ไม่สามารถที่จะกำจัดได้ป้องกันได้ ม, มีแต่ธรรมที่เราได้สร้างขึ้นมาคือความสงบจากสมาธิก็ดีหรือจากปัญญาก็ดีเท่านั้น ที่จะสามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามากระทบกับใจได้ความแก่ก็จะไม่ทำให้ใจทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทำให้ใจทุกข์ความตายก็จะไม่ทำให้ใจทุกข์การพัดพากจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่ทำให้ใจทุกข์แต่อย่างใดเพราะธรรมะนี้เป็น กะคุ้มครองจิตใจเป็นที่พึ่งของจิตใจธรามสารนังกะชามิใครมีธรรมแล้วก็เหมือนนี้เกาะคุ้มกันเหมือนกับสมัยนี้ทหารและตำรวจเวลาเข้าไป ป, ปฏิบัติการเขาจะต้องใส่เสื้อกเกาะกันไว้คุ้มกันร่างกายของเขาเวลาถูกกสุนยิงเข้าไปก็ไม่สามารถทะลุเข้าไปในร่างกายได้ ป้องกันให้เขาไม่ต้องถึงแก่ความตายได้ธรรมะก็เป็นเกราะคุ้มของใจธรรมะที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมขั้นสูงโดยขั้นสมาธิและขั้นปัญญานี้จะสามารถปกป้องจิตใจไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับใจได้เลย นี่แหละคือความสำคัญของวันพระที่สาุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาวิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ควรจะให้ความสำคัญถ้าไม่สำคัญแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงกำหนดวันพระขึ้นมาให้เสียเวลาหรอกแต่ที่ต้องกำหนดเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีวันพระสาุชนพุทธบริษัทก็จะไม่มีวันหยุดกัน ก็จะใช้เวลาทั้งหมดไปให้กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาต่างๆมาให้เสกกันไปวันๆหนึ่งจนจนทำให้หลงลืมไปว่ามีความทุกข์อยเราอยู่ข้างหน้ากันทุก็คือความแก่ทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตายความพักท้าจากกันมันเป็นสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้รับกับเหตุการณ์พอเจอกับเหตุการณ์นี้เราก็จะทุกข์ทรมานใจไปอย่างยิ่งบางคนไม่รู้จักวิธีกำจัดหรือทำให้มันเบาบางลงไปก็คิดจะหนีด้วยวิธีการฆ่าตัวตายกัน แต่การค่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่อย่างใดเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย<ม>ร่างกายถึงแม้มันจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็ไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายอยากไม่เจอกับการทัดท่างจากกันหรืออยากไม่เจอกับ การที่จะต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่จะต้องอยู่ด้วยหรือต้องพบอันนี้ตัางหากที่เป็นตัวที่เราจะต้องฆ่ากันคือตัณหาวัมอยากที่มีในใจของเราไปฆ่าร่างกายก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์หายไปแต่อย่างได้ความทุกข์ก็ยังค้างครั้งอยู่ในใจต่อไปแล้วเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะมาเจอความทุกข์แบบเดิมอี จเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเกิดจากการทัดทานจากสิ่งที่เรารักและการที่เราจะต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบ mm hmm. การฆ่าตัวตายจึงไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่อย่างใดแต่กลับจะเป็นการสร้างปัญหาให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อฆ่าตัวตายแล้วใจก็จะใจก็จะเกิดความทุกข์มากขึ้น mm hmm. แล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมใช้กรรมในอบายไปตกนรก<ม>ถึงแม้ว่าจะได้ทําบุญรักษาศีลมาตลอดระยะเวลาก่อนที่จะฆ่าตัวตายก็ตา ม, มพอมาฆ่าตัวตายปั๊บนี่บาป ท, ที่เกิดจากการฆ่าตัวตายนี้มันจะมีกําลังมากกว่าบุญกุศลต่างๆที่ได้สร้างไว้ นะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าเหตุที่ทำให้ใจทุกข์เหตุที่ใจทุกข์ก็คือตัณหาความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายวิธีที่จะฆ่าตัณหาความอยากก็ต้องอาศัยธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันขึ้นมานั่นเองก็คือให้เราสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมา อันนี้แหละจะเป็นอาวุธที่เราจะเอามาใช้ฆ่ากิเลสทุกชนิดได้ฆ่าตัณหาฆ่าความอยากต่างๆทุกแบบทุกชนิดได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทุกรูปแบบได้ไม่มีอย่างอื่นใดในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ทรมานใจของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการหาความสุขมากบ ม, มันก็ไม่ทาให้ความทุกข์นี้หายไป ไม่ว่าจะฆ่าตัวตายแล้วทำมาล่างกายด้วยวิธีการต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์ใจนี้หายไปได้เพราะความทุกข์ใจมันไม่ได้เกิดจากจากการที่เราขาดความสุขหรือเกิดจากการที่เรามีร่างกายมันขาดมันเกิดจากการที่เราไปมีความอยาก แล้วเราต้องมายุติความอยากกันให้ได้และสิ่งที่จะยุติความอยากได้ก็คือสมาธิและปัญญางนั้นเบื้องต้นนี้สิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาก่อนก็คือสมาธิปัญญาเราก็สร้างด้วยแต่ปัญญายัางไม่ได้เป็นปัญญาที่จะสามารถนํามาใช้ให้เกิดผลได้เป็นปัญญาขั้นปลูกฝังเป็นการปัญญาขั้นเรียนรู้ไปก่อน สลับกับการฝึกสตินั่งสมาธิในช่วงที่ฝึกสตินี้อาจจะมดเว้นการศึกษาทางด้านปัญญาคือศึกษาได้บ้างเช่นฟังเทศฟังธรรมแต่ควรเอาเวลาส่วนใหญ่มาให้กับการเจริญสติเพื่อที่จะทำใจให้หยุดคิดให้ได้เพราะว่าถ้าใจใ ห, หยุดคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิ ใจจะเข้าสมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ได้เนนในช่วงที่เจริญสตินี้ควรที่จะหยุดคิดให้มากที่สุดปัญญาก็อาจจะศึกษาได้บ้างถ้าเราสงสัยอะไรบ า, บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องแต่ไม่ควรที่จะไปรู้มากที่อยากรู้มากจนเกินไปควรที่อาเวลามาหยุดคิดกันให้ได้ก่อน เพราะถ้าเราไปออกไปคิดทางปัญญามันก็ทำให้ใจไม่หยุดคิดนั่นเองและพอเวลานั่งสมาธิแม้แต่ความคิดทางปัญญาบางทีก็จะทำให้ใจไม่สงบได้เหมือนกันเอิ่ถ้าเราอยู่ในขั้นตอนของการจเจริญสตินั่งสมาธิควรจ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิไปก่อนปัญญานี้ ไม่รอในช่วงที่เราไม่ได้เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธิเราก็แบ่งออกมาให้กับการเจริญปัญญาได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้สติไม่ได้สมาธิปัญญาความรู้ที่เราได้เรียนรู้ต่างๆนี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะนามาใช้ในการฆ่ากิเลสได้ดังนม้นจะรู้ว่ากิเลสเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ตาม เวลาเจอมันตัวมันจริงๆแล้วนี้แทนที่จะไปฆ่ามันกลับไปกราบมันสิกราบไปรับใช้กิเลสสิกิเลสว่าไปต้องไปเที่ยวกันไปหาความสุขกันก่อนที่เราจะตายกันก็ไปกับกิเลสทันทีแทนที่จะหยุดมันเห็นโทษของการไปทําตามความอยากเพราะมันจะพาให้เราไปสู่การเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นเอง ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราต้องฝืนไม่ทำตามความอยากแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิที่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ถึงเวลาที่เจอกิเลสก็หยุดมันไม่ได้เจอความอยากก็หยุดมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกของการปฏิบัตินี้คนพุ่งเป้าไปที่การเจริญสติเป็นหลัก ตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่พุทธเจ้าทรงสอนให้มีสติให้มันเป็นสัมปะชัญญะขึ้นมาคือให้มีสติที่ต่อเนื่องไม่พังไม่เผลอไม่หายไปไม่ใช่พุโทโธพุโทโธสองสามคำแล้วก็พุโทโธหายไปแล้วใจก็ไปกับความคิดต่างๆคิดกับเรื่องนั้นคิดกับเรื่องนี้คิดกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่นี้แสดงว่าสติหายไปแล้ว ถ้าจะให้มีสติก็ต้องมีพุทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆพุทโธก็เป็นความคิดเหมือนกันทำไมคิดไม่ได้ให้คิดพุทโธกับคิดไม่ได้แต่ถ้าให้คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดได้ยิ่งคิดยิ่งสนุกถึงแม้ว่าบางทีคิดแล้วจะทำให้ใจทุกข์ก็ยังหยุดคิดไม่ได้เพราะไม่มีสติไม่มีปัญญา ที่จะสอนให้ใจรู้ว่าความคิดแบบนี้มันเป็นโทษกับจิตใจมันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจความที่จะเป็นคุณกับประโยชน์กับจิตใจก็คือความคิดไปในทางกรรมฐานอารมณ์อารมณ์อมของกรรมฐานเช่นเราเลิกถึงพระพุทธเจ้ากพทท็พุทโธพุทโธไปหรือสวดนิติปิโสไปหรือจะเรเลิกถึงพระธรรมคำสอนก็ได้ก็ลเลิกถึงธรรมโมธรมโมไป หรือสวดบทสวากขาโตพระกวตาธรรมโอไปหรือจะนแล้กถึงก็สงฆ์ก็ได้ผส์ก็สังโฆสังโฆไปหรือสวดบทสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิตปฏิปันโนไปหรือจะสวดบทพุทธังสารนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังขังสารนังกชามิก็ได้ ถ้าอยู่กับความคิดเหล่านี้มันจะไม่นำพาให้ใจไปสู่ความฟุ่งร้างมันจะนำไปสู่ให้ใจหยุดคิดเพราะถ้าสวดบนเหล่านี้บ่อยๆเข้าเดี๋ยวจิตมันก็เหนื่อยเองพอเหนื่อยมันก็จะไม่อยากคิดไม่อยากจะพุดโธไม่อยากจะไม่อยากจะสวดมนต์ไม่อยากจะเราเลิกถึง พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันอยากจะนิ่งอยู่เฉยๆแล้วตอนนั้น ไม่ใช่ไ ม, ไม่ใช่ไม่อยากเพราะว่าอยากจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่อยากเพราะมันไม่อยากจะคิดอะไรเพราะการนัลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีด้วยการสวรดบทบนสวดนันก็ดีสวดไปนานๆแล้วมันจะทำให้ใจเหนื่อยเหมือนกับเราทำงานทั้งวันพอทำทั้งวันแล้วมันจะเหนื่อยมันก็อยากจะหยุดพักพอนพอใจได้ถูกใช้ไปในทางที่จะทำให้ใจ ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็อยากจะอยู่เฉยๆแล้วจะไม่คิดอะไรก็หันมาดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้มานั่งหลับตานั่งดูลมหายใจเข้าออกต่อไป<ม>เดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้อ น, นี้เ ป, นเป็นเป้าหมายแรกของการปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเราจะนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ เมื่อใจไม่สงบใจก็จะไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆได้เพราะความอยากต่างๆนี้อาศัยความไม่สงบของใจเป็นเครื่องมือใจต้องไม่สงบกิเลสตัณหาความอยากถึงจะออกมาได้แต่ถ้าใจนิ่งใจสงบกิเลสตัณหานี้ออกมาไม่ได้<ม>เพราะถูกความนิ่งความสงบของใจกดดันเอาไว้แต่ไม่ตาย กำลังของความสงบจากสติจากสมาธินี้ยังไม่ทำให้กิเลสตัณหาความอยากต่างๆตายได้พอจิตเริ่มคิดเริ่มออกมาจากความสงบถ้าไม่มีสติคอยสกัดเวลาที่กิเลสออกมากิเลสมันก็จะออกมาเพ่นพ่านต่อไปได้ถ้ามีสติอย่างน้อยพอรู้ว่าเกิดความอยากขึ้นมา ก็ต้องเริรีบจเจริญพุทโธธรร ม, มูสังโฆหรือกรรมาฐานหมดใดหมนดหนึง่งเพื่อมายับยั้งความอยากต่างๆพอจากสมาธิมาก็อาจจะเกิดความอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดื่มต้องรับประทานหรืออยากจะดูอยากจะฟังอะไรอยากจะไปนูน่นอยากจะมานี่อันนี้เราก็ต้องใช้สติ หยุดมันให้ได้ก่อนถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีใช้ปัญญาแต่ถ้าเราอยากจะกําจัดความอยากต่างๆที่มันยังไม่ตายด้วยอํานาจของสติของสมาธิเราก็ต้องมาใช้ปัญญาหยุดมันปัญญาก็คือต้องรู้อริยาาสัจสีรู้ว่าความทุกข์ใจความเครียดใจความฟุ้งซ่านของใจเกิดจากการหาความอยากต่างๆ นั้นเราปล่อยให้ความอยากเกิดขึ้นมาในใจไม่ได้เหมือนกับเราปล่อยให้ไฟลุกขึ้นมาในบ้านเราไม่ได้ mm hmm. เพราะเรารู้ว่าไฟถ้าปล่อยให้มันลุกแล้วเดียวมันจะเผา บ, บ้านเราให้วอดไปหมดนี mm ่ hmm. ต้องมองต้องรู้นี่คือปัญญารู้โทษของความอยากรู้โทษของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นเหมือนไฟเผาผลาญจิตใจทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวายไม่มีรู้จักจบจักสิ้น เพรนั้นถ้าเราเห็นโทษของกิเลสเหมือนกับไฟเราเห็นโทษของไฟเวลาไฟลุกขึ้นมาในบ้านนี่เรารีบดับทันทีเลยมีน้ําก็ต้องรีบหามาดับมีอะไรที่จะดับไฟได้ก็ต้องต้องรีบดับมันให้ได้ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องโทรเรียกคนให้มาช่วยเหลือกันพ่าเราเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของไฟว่าถ้าปล่อยให้มันลุกแล้วเดี๋ยวมันจะลามไหมไปทั้งบ้านเลย อัในใดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากก็ เ, เป็นเหมือนไฟที่จะเผาใจให้ทุกทรมานไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีอะไรมาดับมันมันจะเผาผลาญจิตใจไปเรื่อยๆมันอาจจะพักเป็นช่วงๆพักเพื่อกลับมากระหน่ำเราให้หนักขึ้นไปอีกทุกวันนี้แล้วเดี๋ยวพอมันอาจจะพักสักระยะหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาใหม่ท้ำเติมเราเพิ่มไปเรื่อยๆ ความทุกข์ที่เราได้รับตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้มันไม่ได้หมดไปทถทีมันอาจจะหายไปเป็นพักๆแต่พอมีเหตุมีปัจจัยมากระตุ้นมันมันก็จะโผล่กลับขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาเราจะไม่สามารถที่จะกําจัดมันได้มีสติสมาธิก็หยุดมันเป็นพักๆ แต่ไม่สามารถทำให้มันหายไปได้อย่างถาวรถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรต้องมีปัญญาต้องเข้าใจต้องรู้ว่าความทุกข์ใจในอริยสัจสี่นี้เกิดจากการหาความอยากต่างๆเราต้องไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นมาให้ได้และการที่จะทำให้ความอยากหายไปทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากหายไปเราก็ต้องมีมรรค คือมีปัญญามีสติมีสมาธิมีศีลก่อนที่เราจะมาสู่ขั้นของปัญญาได้เราต้องมีเราต้องมีสติมีสมาธิมีศีลก่อนปัญญานี้เป็นส่วนประกอบส่วนสุดท้ายของมรรคยังเราถ้าเรายังไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธินี่เราจะไม่สามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้ ต้องราให้มีศีลที่บริสุทธิ์มีสติที่ต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนมีสมาธิที่สงบนิ่งมีกําลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆได้ตอนนั้นเราถึงจะสามารถที่จะมาสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อมาหยุดความอยากต่างๆได้ขั้นที่หนึ่งต้องรู้ว่าความอยากนี้เป็นเหตุที่ทําเผาใจเราให้ทุกทรมานอยู่ตลอดเวลา ไอเหมือนไฟที่จะไหม้บ้านเราพอไฟลุกในบ้านเรานี้เราต้องดับมันทันทีพอเราเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่เราต้องหยุดมันทันทีแม้แต่ความอยากที่ดีบางทีก็ต้องหยุดมันถ้าเราอยู่ในขั้นของการต้องการจะหยุดความอยากต่างๆเช่นเราไปปฏิบัติจิตตภาวนาไปเปรี้ยเวกอยู่ในป่าแล้วอยู่ดีๆก็เนึกอยากจะทําบุญขึ้นมา เนี่ยความอยากทำบุญนี้มันจะมาทำลายการเจริญสติสมาธิปัญญาของเราได้ mm hmm. ถ้าถึงขั้นนั้นแล้วแม้กร้ทั่งความอยากจะทำบุญก็ต้องถือว่าเป็นจิเละเป็นโทษ mm hmm. เพราะว่ามันมาขัดขวางการจะเจริญธรรมที่สูงกว่านั่นเอง mm hmm. คนที่ไปบาเพ็ญจิตตภาวนาเช่นพระนักบวชนี้ จะไม่ไม่จะไม่ไม่ควรไปยุ่งกับการทําบุญทําทานจะไม่ไปยุ่งกับการไปกราบตามสังเวชนีย asan ต่างๆเช่นไปอินเดีย<ม>ไปนู่นมานี่ไปกราบครูบาอาจารย์กราบพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่สงสัยนะเราจึงมาเป็นนักบวชกันไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปอินเดียเพื่อไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นั่น อันนี้สําหรับคนที่ยังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงยังไม่มีศรัทธาตรงนี้ก็อาจจะได้รับประโยชน์จากการที่ไปตามสัสงเวชนีสถานสี่คือไปที่ประสูติที่ตัดจารุที่แสดงธรรมและที่ปริญญนิพนธ์ของพระพุทธเจ้าพอเมื่อไปเห็นสถานที่นะั้นมันก็จะมีอะไรมายืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงนะไม่ใช่เป็นของนิไม่ใช่เป็นนิยายแต่งกันขึ้นมา เมื่อมีจริงคําสอนของพุทธเจ้าก็ต้องเป็นความจริงเป็นสวากขาโตภะกวตาธรรมูเป็นธรรมที่ตัดไว้ชาบแล้วธรรม ท, ที่ทรงสแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นรกเหลือบายไม่ว่าจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดหรือการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดการเข้าสู่มรรคผลนิพพานคําสอนเหล่านี้ล้วนเป็นความจริงเท่านั้น น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์สามารถนำเอาคำสอนเหล่า น, นี้ไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้จนบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมามอันนี้ถ้าเป็นนักบวชแล้ว<ม>เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วแสดงว่าไม่สงสัยแล้วในในระดับ ของการรู้การเห็นจากการศึกษาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงคำสั่งคำสอนของพระเจ้านี้สามารถนำจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ต้องนำเอาไปปฏิบัติการไปบวชก็เพื่อไปปฏิบัติจเจริญมรรคให้มันเต็มที่ให้มันมีกำลังที่จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาโมห oh ะอวิชชา ที่ยังมีในใจให้มันหมดสิ้นไปได้ฉนั้นถ้าไปอยู่ขั้นนั้นแล้วนี่เวลาเกิดความอยากที่จะไปหาคนนั้นหาคนนี้ไปทำบุญไปอะไรไปกล่าวคนนั้นคนนี้ก็กลายถือว่าเป็นกิเลตได้ก็ามาขัดจังหวะขัดเวลาขัดโอกาสที่เรากำลังจะสร้างสติสร้างสมาธิให้เกิดความสงบ ให้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้พูดเป็นตัวอย่างไม่ได้หมายความถึงทุกกรณีความอยากทําบุญนี้โดยทั่วไปเป็นความอยากที่ดีเป็นมักสําหรับคนที่ยังมีความตนันหนียังมีความหัวรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเนี่ยการอยากเสียสละเงินทองไปเพื่อการดับความตันหนีนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะการทําบุญนี้จะทําให้ใจที่มีความตันหนีนี้ มีความสงบสุขได้เวลาที่ได้ชนะความตณีไปได้ชนะความยึดติดในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี่ทําแต่ละขั้นมันมีมันมีเหตุมีผลของมันมีในระดับของมันพอเราผ่านขั้นนี้ไปแล้วเราไม่มีความตณีแล้วเราไม่มีความหวงหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราไม่มีความโลภอยากได้ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองมาเป็น เครื่องมือให้ความสุขกับเราหรือมาใช้ดับความทุกข์ใจเพราะเรารู้ว่ามันทำไม่ได้เงินทองต่อให้มีกองเท่าภูเขาก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ในใจของเราได้ไม่สามารถให้ความสุขแบบของพระนิพพานได้ก็จะเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปป๊บเดียวเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วเราก็จะกลับมาเหมือนกับไม่ไม่มีไม่เคยมีความสุขมาก่อน ถ้าถ้ายังต้องใช้เงินเพื่อมากำจัดความทุกข์เพื่อมาสร้างความสุขให้กับใจนี้ด้วยการไปเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดธะพ้ชนิดต่างๆนี้อันนี้เป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิดเป็นโมหะอาวิชชาเป็นกิเลสตัณหาที่เราจะต้องใช้การทำบุญทำทานมาดับมันให้ได้ทุกครั้งอยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญทาน แล้วบุญที่ได้จากการทําบุญนี้ความสุขที่ได้จากการทําบุญนี้มันเป็นความสุขแท้มันเป็นความสุขที่จะยังอยู่กับใจต่อไปไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเป็นความสุขแบบควันไฟมันจะไม่หลงติดอยู่กับใจเลยซื้อมาได้ปั๊บเดียวไม่กี่วันความสุขนั้นก็หายไปมาให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนกับไม่เคยมีความสุขมาก่อน ก็เลยทำให้ใจต้องกลับไปซื้อของเพิ่มไปเที่ยวเพิ่มอยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่มันก็จางหายไปหมดไม่เหมือนกับความอิ่มใจสุขใจที่ได้จากการทําบุญทำทานทาครั้งนี้แล้วเกิดความอิ่มใจความอิ่มใจความสุขใจก็ไม่หายไปพอครั้งที่สองทำอีกมันก็เพิ่มความสุขใจอิ่มใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปบุญนี้ ใจนี้เป็นที่เก็บบุญได้แต่ไม่สามารถเก็บความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ดังนั้นถ้าอยากจะสะสมบุญสะสมความสุขในใจต้องด้วยการทําบุญอย่าด้วยการไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่ตางๆมันเก็บไว้ในใจไม่ได้เก็บไว้แต่ความเศร้า เวลาคิดถึงสถานที่เราเคยไปเที่ยวนวมันเศร้าเพราะว่ามันไม่ได้ไปอีกแล้วแต่เวลาที่เราคิดถึงบุญที่เราทำมานี้มันไม่เศร้ามันเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมานี่คือความอยากทำบุญที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นมรรคกับเจ้าเป็นมรรคก็ได้แต่พอเราผ่านขั้นนี้ไปแล้วเช่นเราไปเป็นนักปฏิบัติเราปเป็นนักบวชแล้ว แล้วสละการหาความสุขด้วยการใช้เงินนะไม่เงินทองถ้ามีไว้ก็มีไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่า น, นั้นเองแต่จะไม่เอาเงินทองนี้มาเป็นที่ดับความทุกข์ของใจหรือมาสร้างความสุขให้กับใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้แล้วถ้าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ดีๆกดกิดเลสมาหลอกล่อ่าให้ไปมีเพื่อนมาชวนไปอินเดียกันได้บุญเยอะ อันนี้แนหะเป็นความหลงนะถ้าอยากจะกลับไปได้บุญระดับที่ต่ำกว่าอันนี้เรากําลังสร้างบุญที่สูงกว่าบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้บุญที่เกิดจากการรักษาศีลแปดบุญที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิบุญที่เกิดจากการเจริญากการปัญญานี้มันเป็นบุญที่สูงกว่าบุญที่เราจะได้รับจากการไปจาลิขาตสถานที่สังเวชนิสถานต่างๆ หรือไปกราบว่า้คูบาอาจารย์ไปทําบุญกับครูบาอาจารย์เรื่องในวันเกิดของท่านบ้างเรื่องในวันตายของท่านบ้างเรื่องเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอย่าเอาบุญเหล่านี้มาขัดขวางกับบุญที่มันจะสูงกว่าที่จะดีกว่าเพราะถ้าเรายังติดอยู่กับบุญเหล่านี้อยู่มันก็จะเป็นเหมือนตกำล้อเรือที่จะถ่วงเรือไม่ให้ลอยไปตามตามน้ําได้ เรือจะออกแล่นออกไปจากข่าเรือได้จะต้องถอนสมอเรือถ้ายังมีสมอเรือติดอยู่กับดินนี่มันไม่สามารถทําให้เรือนี่ลอยไปได้อย่าการทํามูลทําทานนี่ก็เป็นเหมือนสมอเรือเหมือนกันถ้าไม่รู้จักใช้ขั้นตอนของมันขั้นตอนที่เราต้องการที่จะให้เรืออยู่นิ่งๆตอนนั้นต้องใช้สมอเรือเช่นเวลาที่เราต้องการให้ใจเราชนะความตนนันเอง ฉนัความโลภความอยากได้เงินทองมาเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ของใจหรือสร้างความสุขให้กับใจนี้มันเป็นสิ่งที่มันทำไม่ได้มันมีไว้สาหรับที่จะทำให้เราละความตณนีไม่ให้เราเอาเงินนี้ไปใช้กับการดับความทุกข์หรือสร้างความสุขให้กับใจด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่าง แต่ให้เอามาทำบุญทำทานแทนอันนี้แหละจะช่วยทำให้สร้างความสุขให้กับใจได้ทำให้ใจมีกำลังที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมที่สูงกว่านี้ได้ถ้าใจมีบุญถ้าใจเป็นใจบุญสูนทานต่อไปใจก็จะรักษาศีลได้ง่ายเพราะว่าคนที่ทำบุญนี้มักจะเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาทำด้วยความเมตตากรุณา ทำด้วยความหวังดีปรารถนาดีให้ผู้มีความสุขไม่ให้มีความทุกข์เห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากพอจะใช้เงินทองไปช่วยบรรเทาทุกข์ได้ก็จะทําทันทีเช่นเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไฟไหมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเงินทองที่เรามีอยู่นี้เราก็เอาไปช่วยเขาช่วยแบบนี้นะ่ะนี่เรียกว่าเป็นการทําบุญ เป็นการสะสมความสุขภายในใจทำให้ใจมีความสุขแล้วจะทำให้ใจไม่คิดที่อยากจะเบียดเบียนผู้ก็จะทำให้ใจนี้สามารถรักษาศีลได้อย่างง่ายได้พอรู้ว่าศีลห้าห้ามฆ่าก็ในใจก็ไม่เคยอยากจะฆ่าใครอยู่แล้วพอรู้ว่าศีลห้าห้ามไม่ให้ลักขโมยของคนอื่นในใจก็ไม่มีความอยากจะได้ของคนอื่นอยู่แล้วมีแต่จะให้คนอื่นแล้วใจเราจะไปคิดเอาเอาเงินของคนอื่นมาทาไม ถ้าเราถ้าเราไม่ทําบุญสิอันนี้อีกเรื่องหนึง่งถ้าเราไม่ทําบุญเราเสียดายเงินเรานักเงินหัวเงินอันนี้แหละเป็นตัวที่อาจจะทําให้เราอยากได้เงินเพิ่มก็ได้แล้วพอมีช่องมีจังหวะที่จะโกงเขาได้ลักขโมยเงินของเขาได้ก็จะเอาทันทีแต่สาหรับคนที่ทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆนี้จะไม่อยากได้เงินของใครเพราะอยากจะให้คนเขามีความสุขกัน แล้วรู้ว่าการเอาเงินของคนาหนุนมานี่เป็นการสร้างความทุกข์ขยับกับเจ้าของเงินคนที่เสียเงินไปนี่เขาจะต้องเสียอกเสียใจขนาดไหนที่ถูกเงินถูกนักขโมยไปดังนั้นคนที่ทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆนี่จะเป็นคนที่มีนิสยัยที่เมตตากรุณาไม่ชอบเบียดเบียนผูพ้พอให้พอสอนให้รักษาศีลห้าก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างสบายเพราะ เป็นสิ่งที่ถูกกับใจอยู่แล้วไม่ชอบเบียดเบียนใครอยู่แล้วไม่ชอบให้คนอื่นเขาต้องเสียหายเดือดร้อนจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นประพิดผิดประเพณีหรือโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากผู้อื่นนี้ใจของคนที่ชอบทำมูลทำทานนี้จะไม่ไม่ปรารถนาที่จะทำ mm hmm. ก็เลยทาให้สามารถปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้น อยากขั้นทานได้อยากขั้นทานก็สู่ขั้นสีลได้แล้วเมื่อรักษาสีห้าได้พอได้เรียนรู้ว่ายังมีธรรมที่สูงกว่านี้ที่จะต้องปฏิบัติก็คือธรรมระดับสมาธิธรรมระดับปัญญาแต่ต้องมีการสนับสนุนด้วยการรักษาสีนแปดพอรักษาสีห้าข้อได้สีอีกสามข้อก็จะรู้สึกไม่ยากเย็นแต่อย่างใด เพราะคนที่ชอบทำมูญอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ชอบเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆพอต้องมาละเว้นการหาความสุขจากละรูปเสียงกลิ่นรสก็จะรู้สึกว่าไม่ยากเย็นตรงไหนเพราะรู้ว่าความสุขที่ได้จากราบยศจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ไม่สามารถทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบใจได้เหมือนกับการทาบูญทําทานก็เลยสามารถที่จะถือศีลแปดได้อย่างง่ายได้สินห้าก็ง่ายศีลแปดก็ง่ายไม่รู้ว่าจะนาไปสู่ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ผู้ที่มี จิตใจที่ฝ่ายบุญฝกุศลก็จะ <c oughs> ยินดี <c oughs> ปฏิบัติเพื่อให้ได้ทำที่ขั้นสูงต่อไปก็จะเล่ามาลองปฏิบัติในวันพระกันตามที่ผู้เจ้าทร ง, งสอนวันไหนเป็นวันพระ <c oughs> ก็จะหยุดการทำงานหนึ่งวันถ้าหยุดได้ถ้าเป็นคนที่ทำงานเดือนแล้ววันหยุดเขาไม่ไม่ตรงกับวันพระเราก็เปลี่ยนวันหยุดไป เปลี่ยนันไปเป็นวันที่เราหยุดเปลี่ยนวันพระไปเป็นวันที่เราหยุดได้เช่นถ้าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันอังคารแต่ถ้าเราทํางานเงินเดือนเราต้องไปทํางานจันทร์ถึงศุกร์นี่วันนี้เราก็ต้องไปทํางานเราก็เปลี่ยนวันพระของเราให้มาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่วันขึ้นแล้วอันนี้เป็นเพียงแต่เป็นการเป็นการใช้ ปฏิทินในยุคโบราณเขาอาศัยจันทรคติดูการเคลื่อนไหวของดวงจันทร์วันขึ้นแรงของดวงจันทร์ก็จะได้รู้ว่าวันไหนเป็นวันพระกันวันหยุดทนั้นเองแต่สมัยนี้เขาเปลี่ยนวันหยุดจากวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาให้ตรงกับวันหยุดเช่นวันันนี้วันอังคารเราต้องไปทำงานเราก็รอเลื่อนไปวันพระให้ไปเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แทน แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นั้นวันหยุดนั้นเราก็หยุดทำงานหยุดพระหยุดการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะแล้วก็มาเจริญเ น, นคขัมมะบา ร, รมีคือละการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนคขัมมะนี่คือแปลว่าการละเวน้นหรือการหยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสพุภธะด้วยการถือศีลแป ด้วยการไปอยู่ตามสถานที่ที่สงบสงัดมิเวกไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบไม่มีอะไรมาลบกวนใจไม่ไม่ใช่หมายความว่าวัดไหนก็ได้เพราะวัดบางวัดไม่ได้เป็นวัดปฏิบัติธรรมใช่ไหมครเป็นวัดท่องเที่ยวกันสร้างให้หรูหราขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ย ว, ไ, ยวได้มาอยู่ดูพญานาคมาดูงู มาดูอะไรต่างๆกันอันนี้ไม่ใช่เป็นวัดของผู้ปฏิบัติธรรมวัดของผู้ปฏิบัติธรรมนี้ต้องเป็นสถานที่สงบสงดัดไม่มีคนทุกข์พาดมีแต่คนที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วเวลาปฏิบัติธรรมก็แยกกันปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติร่วมกันสถานที่ที่ยังจัดให้มีการปฏิบัติร่วมกันนี้เป็นสหรับพวกที่เริ่มเริ่มต้นใหม่ ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามนำพังของตนเองได้เพราะไม่รู้วิวธีปฏิบัติไม่รู้ว่าเวลาแต่เวลาไหนต้องปฏิบัติเวลาไหนไม่ต้องปฏิบัติ <c oughs> ก็เลยต้องจับมาฝึกก่อนฝึกร่วมกันเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นมีจัดคอร์สอบรมการปฏิบัติธรรมสามวันบ้างห้าวันว่างเจ็ดวันว่างวันนี้เขาจะมีตารางให้ปฏิบัติเช่นเช้าตื่นขึ้นมาตีสี่ก็ให้ลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ สายก็ไปเตรียมจัดอาหารรับประทานอาหารกันหรือถ้าอยากจะทําบุญใส่บาตก็ไปไปเตรียมอาหารไว้สําหรับทําบุญใส่บาตเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ช่วยกันทําความสะอาดเก็บของกินของใช้อะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ไปไปพักผ่อนก็ได้หรืออยากจะไปเดินโยงกลมนั่งสมาธิต่อก็ได้ แล้วแต่ทางว่าทางสถานที่ปฏิบัติเขาจะกาหนดเวลาไว้ให้แต่จะไม่ไม่มีเวลาให้ปล่อยให้นั่งคิดเพอเจ้อไม่ไม่ให้ทำเรื่องราวทางทางการมารมณ์ทางรูปเสียงกลิน่นรสจะคอยมีกิจกรรมให้ทาไปจนถึงเวลาหลับเลยถึงตอนค่ำก็ตอนเย็นก็เข้าโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอน หลับนอนได้สี่ห้าชั่วโมงก็ปลุกขึ้นมาแล้ะตื่นขึ้นมาตีสี่เริ่มใหม่แล้วอันนี้ป็ น, นเป็นกิจกรรมของผู้ที่ยังยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามลำพังได้ไม่รู้ว่าจะต้องเอาเวลานี้มาใช้กับการกระทำอะไรบ้างเขาก็เลยจัดเป็นหลั ก, ลกสูตรอบรมสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่ๆแต่สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้อบรมผ่านมาแล้วรู้แล้วว่าเวลาทั้งหมดนี้ต้องมีไว้ให้กับการ เจริญสตินั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรม mm hmm. ก็สามารถไปเปที่เวกไปปฏิบัติตามลําพังได้เพราะการปฏิบัติตามลําพังนี้มันจะสะดวกกว่าแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีใครมารบกวนเวลานั่งปฏิบัติเริ่มกันหลายๆคนเดี๋ยวคนนั้นก็ไอบ้างเดี๋ยวคนนั้นก็ขยับบ้างเดี๋ยวคนนั้นก็ทนไม่ไหวลุกขึ้นเข้าห้องน้ำบ้าง mm hmm. ก็จะมีอะไรที่มาคอยรบกวนการทําสมาธิ ไม่เหมือนกับเวลาที่ไปปฏิบัติตามลาพังอยู่คนเดียวอันนี้จะไม่มีใครมารบกวนอันนี้ก็คือเป็นธรรมขั้นสูงที่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องไขวยคว้าเอามันไม่มาหาเราและวิธีที่จะไขว่คว้าหามันเราก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่แหละเป็นหน้าที่ของวันพระเพื่อให้เราได้มีเวลา ให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาแล้วแต่กรณีว่าเราอยู่ในเราอยู่ในระดับไหนบางทีเรายังต้องการความรู้อยู่เราก็ฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะไปถ้าเรายังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติบางอย่างบางข้อเราก็ฟังเทศฟังธรรมศึกษาไปก่อนแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ ให้มาให้ความสําคัญกับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิทำจิตให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อนอันนี้เป็นเป้าหมายแรกเพราะถ้าจิตยังเข้าสมาธิไม่ได้จิตก็จะหยุดกิเลสตัณหาไม่ได้เวลาศึกษาทางปัญญาแล้วรู้แล้วว่ารู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากกิเลสตัณหาเวลาเกิดกิเลสตัณหาก็หยุดมันไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิที่จะหยุดมันไม่มีปัญญาที่จะมา สูอกับปัญญาของกิเลสกิเลสมันฉลาดมันสามารถหลอกผู้ปฏิบัติจากการไปอยู่ปิดีกเวกให้กับเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้<ม>เลนไปปีกเว่ยแล้วพอรู้สึกเหงาหน่อยกิเลสก็บอกให้ไปไปกราบคูบาจาย์ดีกว่าไปอินเดียดีกว่าไปทําบุญถวายพระปา่าถวายพระถินดีกว่า<ม><ม>เพราะว่ากิเลสมันยังอยากจะให้เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นร้อนอยู่ มันก็จะหลอกเราไปทำบุญดีกว่าซึ่งเราก็เคยเคยทำบุญมาแล้วเราก็ไม่กล้าปฏิเสธเนะการทำบุญมันก็ดีนี่แต่ความจริงสาหรับขั้นนี้แล้วมันไม่ดีแล้ะการทำบุญนี้เป็นสาหรับผู้ที่เป็นอยู่ขั้นต่กว่านี้ผู้ที่ยังไม่สามารถมารักษาศีลแปดผู้ที่ยังไม่สามารถมาเจริญสตินั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมได้อย่างสม่ำเสมอ น, นี่ คนนี้เขายังต้องอาศัยการทําบุญทําทานก่อนเพราะถ้าเขาไม่ทําบุญทําทานเดี๋ยวเขาก็จะเอาเวลาไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันไปดูไปฟังหมอสพบรรเทิงอะไรต่างๆกัน mm hmm. เขาจะไม่มาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเขาถ้ายังอยู่ในระดับของการทําบุญทําทานอยู่การไปทําบุญทําทานการไหว้ครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ดี mm hmm. เป็นสิ่งที่ควรจะทํา เพื่อที่จะได้สร้างความสุขใจให้ใจมีความเมตตาการุณาเพื่อที่ใจจะได้รักษาศีนได้<ม>และเพื่อที่ใจจะจะได้มีความสุขที่แท้จริงต่างจากการเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มตามสถานที่ต่างๆอันนี้ไปซื้อยาเสพติดมาให้กับใจไม่ใช่เป็นความสุขแบบอาหารเป็นความสุขแบบยาเสพติดวเวลาเสพก็มีความสุขแต่ไม่อิ่มไม่พอเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ไม่เหมือนกับกินอาหารกินอาหารอิ่มแล้วก็กินไม่ลงนะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องฉลาดต้องมีปัญญาต้องรู้ทันนะระดับของการปฏิบัตินีนน้ <c oughs> แบ่งเป็นสองระดับนะระดับผู้ครองเรือนก็คือรักษาสีนห้าทำบุญทำทานไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ไปทาบุญตามสถานที่ต่างๆจะไปสังเวชนีสถานหรือไปอะไรก็ไปได้แต่พอเราขึ้นสู่ระดับที่สูง <c oughs> กิระดับ ระดับปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาระดับ ส, สมาธิระดับปัญญานี้ตอนนี้เราต้องปล่อยวางเรื่องการทําบุญทําทานไว้ชั่วคราวก่อน<ม>เพราะว่ามันจะมาขัดกับการมาปฏิบัติธรรมของเรา<ม>ถ้าเราอยากจะไปปฏิบัติธรรมอีกใจหนึ่งก็อยากจะไปทอดกรถินอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปสองที่ด้วยกันมันไปไม่ได้มันเป็นบุญเหมือนกันบุญจากการไปปฏิบัติก็เป็นบุญที่สูงกว่าที่ดีกว่า บุญที่จากการไปทําบุญผ้าป่าก็ดีกรถินก็ดีไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์เนืน่องในวันเกิดของท่านก็ดีเนื่องในวันตายของท่านก็ดีหรือเวลาท่านเจ็บไข้ในป่วยไปไปกราบท่านไปให้กําลังใจกับท่านนี้อันนี้เหล่านี้มันเป็นบุญขั้นต่ําสําหรับผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะไปปีกวิเวกที่จะไปเจริญสตินั่งสมาธิพิจารณาทางปัญญาได้ก็อาศัยบุญเหล่านี้ไปเกาะพังพานก่อน เพื่อให้ใจมีกําลังเพิ่มมากขึ้นจนกว่าจะสามารถไปเปรีกวิเวกได้แล้วตอนนั้นอ่ะพอไปเปรีกวิเวกแล้วก็ไม่ควรที่จะไปทํากิจกรรมในระดับต่ําอีกต่อไปเพราะบุญมันได้น้อยกว่าบุญในระดับสูงเหมือนกับหาเงินเดือนเดือนะเดือนละพันกับหาเงินเดือนเดือนละหมื่นเนี้ยพอเราได้เงินได้งานที่มีเงินเดือนเดือนละหมื่นแล้วเราก็อยากกลับไปทํางานที่มีเงินเดือนเดือนละพันผลตอบแทนมันน้อยกว่ากัน เราก็มุ่งไปทางงานที่มีเงินเดือนที่สูงกว่าที่มากกว่าทำที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติก็เป็นเงินเหมือนเงินเดือนนี่แหละทำขั้นต่ำก็จะได้เงินเดือนน้อยกว่าทาขั้นสูงเมื่อเราสามารถไปทำงานขั้นสูงได้แล้วเราก็ไม่ควรที่จะกลับไปทำงานขั้นต่ำอีกอันนี้คือสิ่งที่นักปฏิบัติอาจจะไม่เข้าใจเพราะเห็นรู้สึกว่าทำกันแบบสับสนนิดหนึ่ทั้งพระทั้งเนทั้งแม่ชีทากันทุกอย่างเลย บุญก็ทานถินก็ทำผ้าป่าก็ทำอะไรมีกิจบุญอะไรเอาหมดมภาวนาก็จะเอาเลยไม่ได้อะไรมากมายเ<ม>พราะภาวนาไม่ได้เป็นเป็นลำ่ำเป็นสันไม่ได้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการต่อเนื่องทำแล้วก็หยุดทำหยุดมาทำบุญขั้นต่าำต่อทำเงินเดือนได้หมื่นนึพอเดือนต่อไปก็เปลี่ยนมาทำงานเดือนละพันก่อนมันมันก็ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญก้าวหนะ้าให้ ให้สูงขึ้นไปกับทาขั้นต่างๆได้โดยปกติแล้วถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่เข้าสู่ธรรมขั้นสูงนั้นมักจะไม่ค่อยไปวุ่นวายกับการทำบุญทาทานไปกับการไปพบปะกับคนนั้นคนนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้าะสถานที่เหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้มันมาลบกวนใจได้มันจะทำให้ใจสงบไม่ได้ เวลาออกมารับรู้รูปเสียงกิษแล้วล้วมันจะถูกบรรจุไว้ฟังไว้ในใจเวลาจะกลับไปนั่งสมาธินี่เรื่องราวที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ออกมาพบปากกับบุคคลพบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันยังตกค้างอยู่ในใจเขาเรียกว่าเป็นสัญญาอารมณ์เป็นนิวรนขึ้นมาทำให้ใจฟุ้งซ่านเพราะถ้ามีกิเลสถ้าไม่มีสติเดี๋ยกิเลสก็จะคอยหลอกให้คิดตรุงแต่งให้ ทำให้เกิดความอยากที่อยากจะกลับไปเสกรูปเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆที่ได้ไปสัมผัสอีกนั้นการที่ถ้ามาปีกวิเวกแล้วนี้ถ้าปล่อยตัวเราให้ออกไปกับหารูปเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆอยู่เรื่อยๆนี้เป็นการเดินถอยหลังเป็นการสร้างนิวรสร้างอุปสรรคในการทําใจให้สงบถ้าอยากจะทําใจให้สงบนี้จะต้องไม่ไม่ปล่อยให้ใจออกไปรับรู้เรื่องรูปเสียง ก, กลิ่นรส ทางตาหูจมูกเิ้นกายเลยต้องไปปีกวิเวกไปที่ ท, ที่รูปเสียงกลิ่นลดไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเช่นไปอยู่ที่สงบนี้รูปเสียงกลิ่นลดในที่สงบนี้จะไม่มากระตุ้นกิเลสตัณหาแต่อย่างใด <c oughs> นี่ก็คือสิ่งที่รู้จักต้องรู้จักแยกแยะถ้าเป็นนักปฏิบัติถ้าอยากจะจเจริญก้าวหน้าถ้าเราอยู่ในขั้นของการปฏิบัติแล้วนี่เราต้องทุ่มเทให้กับเรื่องของการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว เรื่องของการทําบุญทําทานนี่เรื่องของการไปพบปะคนนั้นคนนี้นี่เป็นเรื่องของขั้นทานนะเป็นที่เราผ่านมาแล้วเหมือนเราเรียนจบชั้นมัธยมแล้วเราก็ไม่กลับไปเรียนชั้นมัธยมอีกตอนนี้เราจะไปสู่ขั้นระดับปริญญากันระดับปริญญาตีโทเอกเราไม่กลับไปเรียนชั้นม .6 อีกไม่เรียนชั้นป .3 อ<ม>ีกไม่เรียนอนุบาลอีกเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราแล้ว เพราะเราได้ผ่านส่วนนี้ไปแล้วเราต้องไปทําในส่วนที่เรายังไม่ได้ทํากันส่วนที่เรายังไม่ได้ทํากันก็คือรักษาศิ่งแปดอย่างต่อเ น, นื่องอย่างสม่าเสมอตอนต้นก็ให้ลองลองมารักษาอาทีละวันหนึ่งก่อนวันพั้นนี้เป็นวันทดลองเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นของจริงให้ลองทําดูวันพั้นเรามาอยู่วัดหรือมาปฏิบัติธรรมในสถานที่สงบสงัดอาจารสติได้มากขึ้นนั่งสมาธิจิตสงบได้มากขึ้น เวลาฟังเทศฟังธรรมก็เข้าใจธรรมะได้ดีขึ้นพ อ, อเราเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีวันพระออทำให้ใจเราได้รับบุญที่สูงกว่าบุญที่เราจะได้รับจากการทำบุญทำทานหรือรักษาศีลห้ามันก็จะทำให้เราเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาเกิดความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มวันหยุดเพิ่มวันพระของเราให้เป็นอาทิตย์ละสองวันก็ได้ เช่นถ้าเราทำงานแล้วมีวันหยุดสองวันทางสาวาทที่เราก็เอาสองวันนี้มาให้เป็นวันพระเลยก็ได้หรือถ้ายิ่งดีถ้าต่อไปอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็จะอาจจะต้องรอจังหวะวันไหนมีช่วงที่ลา ง, งานได้หยุดงานได้มีช่วงวันหยุดแต่ติดต่อกันหลายวันก็อาศัยช่วงนั้นมาอยู่วัดปฏิบัติให้ได้นานขึ้นยาวขึ้นยิ่งถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันมากขึ้นยาวขึ้น ทำที่เกิดได้ยากก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นคือสติสัมปชัญญะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความสงบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความเข้าใจทางปาัญญาการเห็นอริยาาสัจสิการเห็นใจรักษอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นอาหาเลปฏิโกสัญญานี่มันก็จะโผลขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับเมื่อเห็นสิ่งเหล่า น, นี้ปรากฏขึ้นมาความทุกต่างๆที่มีอยู่ในใจ ก็ค <S an> ่อยๆหายไปหายไปมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเห็นอนุภาพของการปฏิบัติธรรมว่านี่แหละคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงก็อาจจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเลยเคยทำงานหลายวันก็อาจจะลาออกจากงานไปเลยเปลี่ยนมาทำงานแบบงานงานอิสระสามารถเลือกเวลาทาได้หรือว่าถ้าเป็นคนที่มีความประหยัดมัธยัเคยเก็บเงินเก็บทังไว้พอสมควรหรือว่าไม่ต้อง ไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้ก็อาจจะลาออกจากงาน <c oughs> แล้วก็ไปอยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าเราไปอยู่ตามสถานที่เหล่านั้น <c oughs> การใช้เงินใช้ทองก็ไม่มีความจาเป็นมาก <c oughs> <c oughs> บางวัดนี่เขาไม่เก็บเงินเก็บทองไปอยู่ได้ไปปฏิบัติได้แต่อาจจะต้องช่วยงานวัดบ้างถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะทำบุญทาทานทางวัดเขาไม่เก็บล้ว เ, เขาดูที่ว่าเราสามารถอยู่และปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ ถ้าอยู่แล้วปฏิบัติทำได้เขาก็ยินดีให้อยู่ได้ถึงแม้จะไม่มีเงินทำบุญ ท, ทาทานก็ไม่เป็นไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทาจะเกิดขึ้นตามมาจากการที่เราเริ่มมีวันพระเริ่มใช้วันพระให้ไปในทิศทางที่ที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นที่เจริญขึ้นคือเอาเวันพระนี้เป็นวันที่เรามามาเริ่มปฏิบัติธรรมกันมันปฏิบัติเนคขมมะก็คือ การละเว้นจากการหาความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยการถือศีลแปดศีลแปดนี้จะไม่เราจะไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพื่ที่เราจะได้เอาเวลาที่เราเคยไปให้ความสุขหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสมาให้กับการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถ้าห้งหลับเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรให้มีสติเราสามารถเจริญสติได้ในทุกิริยาบุทุกเวลา ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็สามารถจเจริญสติได้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราคอยควบคุมความคิดเราทำอะไรก็มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำไปแล้วเวลาเราว่างไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเขา้าออกเจริญสตินั่งสมาธิต่อไปเดี๋ยวในที่สุดใจก็จะเิ่งสงบขึ้นมาทันทีนี่แหละคือเรื่องของวันพระที่พู้เจ้า ต, ต, ต้องการให้คาวะญาติโยมผู้ที่ยังไม่ได้ ไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้ลองเอาวันพระนี้มาปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องสักหนึ่งวันหนึ่งคืนดูตั้งแต่เริ่ตากขึ้นมาเลยตั้งแต่เช้าขึ้นมาของวันนี้จนเราจะไปจบถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันพระจะมีหนึ่งวันกันหนึ่งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนี้พระที่ขึ้นหกโมงเช้าประมาณโดยประมาณก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมไจนถึงพรุ่งนี้เช้าหกโมงแล้วถึงจะเลิกถึงอยากไปทําอะไรอย่างอื่นต่อไปได้ ถ้าเองมีการปฏิบัติแบบนี้ยาวๆนี่ผลมันจะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้สึกประทับใจแล้วมันก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละคือวิธีการของพระสาวกทั้งหลายเพราะสาวกพระนั้นทั้งหลายท่านก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระเลยท่านก็เป็นค า, ารวะเหมือนพวกเราเนี่ยแต่พอท่านได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมา ก็เลยลองฝึกขัดตามที่พระเจ้าส่งสอนวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าทำบุญใส่บาตรไปพอวันพระก็ไปอยู่วัดไปถื้อศีลแปดไปเจริญสตินั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมไปพอปฏิบัติไปนี้ความก้าวหน้าก็จะเพิ่มมากขึ้นความทุกข์น้อยลงไปความสุขเพิ่มมากขึ้นมมก็จะทําให้อยากจะบวชต่อไปก็บวชบวชแล้วก็ปฏิบัติเต็มที่เลยเดี๋ยวไม่นานตามที่พระเจ้าส่งสอนไม่เจ็ดเดือนเจ็ดปี เจ็ดเดือนไม่เจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็จะบรรลุได้ทันทีนี่พระอราหันต์ก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนก็มาจากพวกเรานี่แหละพวกที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพทุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาออปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่ปฏิบัติแบ บ, แบบแบบเล่นๆไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออวดโชว์เราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสการปฏิบัติเพื่ออวดโชว์อวดโชว์ว่าเรากําลังปฏิบัตินี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งอ่า อันต้องระมัดระวังผู้ปฏิบัติกิเลสนั้นมันย้อนสอนเราได้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวนั้นเราต้องระมัดระวังดูดูตัวอย่างดูแบบฉบับของครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านอยู่กันอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไงอันนี้ก็คือเรื่องของวันพระก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนระโสยะถามณิโชติ อะระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโคมินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสสะนิจังวุฒาปจายโนจตาโรธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง ภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะมีการถามตอบคำถามได้พเพราะแล้วมันจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยท่านที่ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติด ต, ตามทั้งหมดเท่าไหร่ <c oughs> การเปลี่ยนครับผ้อาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง a c e b o o k ผู้อาจารย์สุชาติ363ท่านทาง YouTube ้อาจารย์สุชาติ378ท่านทางยู u ูบดรวี39ท่านทางวิทยุออนไลน์12ท่านครับ h ฮ u s ์4ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ83ท่านรวมทั้งหมด แปด้อยเจ็ดสิบเก้าท่านครับกลับนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนากุติจากคุณสมพรถามเข้ามาว่าการที่เราคิดถึงพ่อผู้จากไปแล้วเราโพสหรือพุทธ คิดถึงท่านจะทำให้ดวงวิญญาณของพ่อไม่ไปสู่สุคติหรือทำให้พ่อไม่ได้ไปเกิดจริงหรือไม่เจ้าคะเพราะว่าเวลาที่เราลงรูปของพ่อหรือบอกรักหรือคิดถึงพ่อ เพื่อนจะเตือนเสมอว่าเราจะทำให้พ่อเป็นห่วงและทำให้พ่อไม่ได้ไปเกิดหรือไปสู่สุคติเจ้าค่ะขอเรียนพระอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างด้วยเจ้าค่ะอ๋อไม่จริงหรอกอคนตายไปแล้วนี่ก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ทำไว้ที่จะเป็นผู้ที่จะจัดการให้เขาไปเกิดที่สูงที่ต่ำต่อไปไม่ใช่เพราะเราโพสถึงท่านและคิดถึงท่านอันนี้ไม่เกี่ยวกัน ไมเจ้าค่ะคำถามจากคุณรัชนีน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะกราบเย็นถามว่าลูกไปนั่งสมาธิที่สถานปฏิบัติแห่งหนึง่งในขณะนั่งสมาธิ พระท่านสอนให้เจริญสติตั้งแต่หัวจรดเท้าถูกต้องหรือไม่คะในขณะที่พระอาจารย์สอนว่าเราควรนั่งสมาธิให้จิตนิ่งก่อนขอกราบขอคำแนะนำเจ้าค่ะคือวิธีเจริญสตินี้มันมีหลายวิธีด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปะไปวิาพากษ์วิจารณ์วิธีของแต่ละคนได้ โดยหลักก็คือต้องการให้ใจหยุดคิดให้ใจมีอะไรผูกใจไว้เช่นถ้าเรายัางเคลื่อนไหวอยู่ก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆกําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินกําลังทําอะไรก็รู้ว่ากําลังทําอะไร อ, อย่างนี้ใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้เจริญสติแล้วเราไม่ได้อยู่กับการดูร่างกายแนละ้ว หรือถ้าเราจะใช้วิธีหนึ่งก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธอยู่ใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. ได้ยังไปได้อยู่ใหม่ๆแต่มันจะไปแต่เราจะไม่ตามมันไปเราจะอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปใจมันก็จะหยุดคิดเองเวลานั่งสมาธิก็ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ถ้าจะใช้คำบริกรรมพุโทโธก็พุโทโธไปให้อยู่กับพุโทโธไปจนกว่าใจจะเนีง่งใจจะสงบ หรือถ้าจะใช้ดูการดูลมหายใจก็ดูลมที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเท่านี้แหละเป็นวิธีเจริญสติเพื่อจิตเข้าสู่สมาธิแต่บางสำนักบางแห่งเขาอาจจะมีวิธีที่เขาเห็นได้ผลสำหรับคนสอนเขาก็เลยเอามาเอามาสอนต่ออันนี้เราก็ไม่กล้ายืนยันและไม่กล้าที่จะไปล่วงล่วงเกินได้ก็แล้วแต่ถ้าเราไปศึกษาที่ไหนเขาสอนอยังไงเราก็ลองทําดู ถ้าถูกกับจริตของเราได้ผลดีก็ทำไปถ้าไม่ไม่ไม่ได้ผลดีเราก็อาจจะกลับมาหาวิธีใหม่ต่อไปเช้าหาจากคุณกำพลสอบถามปัญหาครับบ้านที่อยู่อาศัยมีปลวกมีนกพิราบมีรังต่อมีรังแตนมีหนูต้องต้องไล่อย่างไรครับถึงจะแม่บากต้องเมตตาไงให้มันอยู่ด้วย ไม่บาปใดๆนะถ้ามีความเมตตามไม่บาปง่ายๆถ้าไม่มีความเมตตาเนี่ยจะบาปเงั้นก็คิดว่าเขาก็มีเขาก็อยากจะมีบ้านอยู่เหมือนกันเราก็อยากจะมีบ้านอยู่พอแบ่งกันได้ก็แบ่งกันไปคําถามจากทางเฟซ บ, บุ๊กเจ้าค่ะโยมอายุ44ปีลาออกจาก การทํางานมาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวมาสองปีช่วงที่ทํางานโยมเห็นชัดแล้วว่าการทํางานหาเงินไปวันๆไม่ใช่เป้าหมายในการเกิดมาโยมเลยตั้งเป้าหมายว่าถ้าไม่ได้ไปถ้าไม่ได้โสดาบันจะไม่กลับไปทํางานหาเงินอีกแต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โยมทําทุกครั้งที่ได้สนทนากับที่บ้าน ก็จะโดนกดดันให้โยมกลับไปทำงานทุกวันนี้โยมใช้เงินมรดกของครอบครัวในการดำรงชีวิตแต่ละเดือนไม่เดือดร้อนแต่เงินกองกลางก็ร่อยหล่อลงไปโยมเกรงว่าการที่พ่อแม่ไม่สบายใจไม่เห็นด้วยจะเป็นสิ่งที่กีดขวางการบรรลุธรรมโยมควรเลือกทำเช่นไรคะเออถ้าเราไปใช้เงินของคนอื่นมันก็ไม่ควร เราก็ต้องเราใช้เงิน <c oughs> ของคนอื่นเราก็ต้องไป <c oughs> ไปอยู่ตามสำนักปฏิบัติที่เราสามารถที่จะอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้เงินได้อาจจะแลกเปลี่ยนด้วยการทำงานบางเวลาเช่นช่วยกันในโรงโครัวตอนเช้าทำงานนะที่ทางวัดก็มีให้ทำแล้วแลกเปลี่ยนเป็นแลกเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยอาหารเพื่อที่เราจะได้มีเวลาได้ปฏิบัติเราจะได้ไม่ต้องไปใช้เงินของคนอื่นครับ เราต้องพึ่งตนเองอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้ไปพึ่งเงินเดือนของคนอื่นเขาแล้วเขาจะพูดไงก็ปล่อยเขาพูดไปเราไม่ต้องไปเถียงกับเขาเราเรารู้ทางของเราเราไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปวิจกกังวลเจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กจากทางยูทูบเจาา้จาค่ะกระาบนักบรณริการชานครับจริงไหมครับ วัดในพุทธศาสนายุคนี้คือทานยุคไม่ใช่ภาวนายุคหมายถึงวัดเน้นให้ทําบุญแต่วัตถุทานมากกว่าครับก็จริงแม่แก็ดูเอาสิคนก็มีตาเราก็มีตามันกันคำถามจากทาง Tube, ยูทูบสจ่ะสอบถามราจารย์ขอคำแนะนำการวางใจการเป็นเดอะแบกของครอบครัวค่ะ ตอนนี้ยังมีหินก้อนใหญ่ที่แบกไว้คือแม่ที่ยังดูแลและยังเป็นห่วงอยู่ค่ะคือเราดูแลท่านได้แต่ไม่ต้องแบกการแบกก็คือเราอยากจะให้ท่านไม่ตายไม่เจ็บนี้อันนี้เป็นการแบกแต่ถ้าเราดูแลท่านไปท่านจะเจ็บท่านจะตายก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้เราก็ไม่แบก ค่ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายอ า, านาปานสติทั้งสิบหกขั้นเจ้าคะ่ะจําเป็นต้องเดินอ า, านาปนสติให้ครบสิบหกขั้นทุกครั้งไหมคะกลับขอพระคุณคะ่ะคือให้เริ่มขั้นที่หนึ่งแล้วมันจะไปของมันเองโดยอัตโนมัติขั้นที่หนึ่งก็ให้มีสติรู้อยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกที่ปลายจมูกก็รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกท่านนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไปเองของมันเอง โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปทำอะไรให้มีสติรู้อยู่ที่ปลายจมูกก็พอเจ้าค่ะจะคุณใส่น้ำคำถามคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถือศีลห้าแต่บังเอิญเข่าคนนั้นก็ไม่ได้ทําผิดศีลห้าถามว่า คนที่ตั้งใจถือศีลกับคนที่ไม่ได้ตั้งใจถือแต่บังเอิญไม่ได้ทำผิดศีลได้บุญเหมือนกันไหมครับศีลอยู่ที่ทำหรือไม่ทำละเมิดหรือไม่ละเมิดถ้าละเมิดไม่ว่าจะตั้งใจรักษาหรือไม่ก็ตามมันก็ผิดศีลถ้าไม่ละเมิดจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็ไม่ผิดศีลอยู่ดีความตั้งใจนี้มันเป็นส่วนประกอบที่ไม่สาคัญ ส่วนที่สำคัญก็คือการรักษาหรือไม่การไม่รักษาถ้ารักษาได้โดยที่ไม่มีความตั้งใจก็ถือว่ามีศีลถ้ารักษาไม่ได้ถึงแม้จะมีความตั้งใจจะรักษาก็แสดงว่ายังไม่มีศีลใช่ค่ะจากทาง u t ท b e กราบเรียนถามผมมีเลิกจะบวชแล้ว มีเงินเก็บยกให้ผู้ใหญ่เพื่อให้ช่วยบริหารดูแลลูกเด็กเล็กต่อทั้งหมดถ้าจะแบ่งเงินมาทำบุญสร้างหลังคากันแดดกันฝนถวายวัดควรไหมครับหรือเอาไว้ให้ผู้ดูแลลูกทั้งหมดสมควรกว่าครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมว่าควรก็ไม่ควรก็อยู่ที่ความพอดี ถ้ามีเหลือเกินไปมากเกินไปจะแบ่งไปทำบุญก็ได้แต่ถ้าไม่ยังไม่พอเพียงก็ไม่ต้องไปทำบุญก็ได้เพราะการให้ลูกกเเ็เป็นการทำบุญเหมือนกันเจ้าค่ะคุณอ้อถามเข้ามาว่าพระอาจารย์ถ้าเจอสิ่งไม่พอใจแล้วเรารู้ทันความโกรธแล้ววางเฉย แต่ยังคงเสียใจกับสิ่งที่เจอควรวางใจยังไงแล้วควรปฏิบัติแบบไหนถึงจะวางเฉยแล้วไม่ทุกข์คะพระาจาร์ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้ถ้าใจเข้าฌานได้ใจจะมีออเบคาจะวางเฉยได้อย่างจริงจังแล้วก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอะไรได้อย่าไปอยากได้อะไรจากเขาความเสียใจของเราเกิดจากความอยากได้จากเขา ถ้าพอเราไม่ได้เราก็เลยเสียใจดูคนที่เราไม่ได้อยากได้อะไรเขาจะทําอะไรเราเราไม่รู้สึกเสียใจแต่คนที่เราอยากจะได้เราอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขารักเราพอเขาไม่รักเราไม่ทําอะไรตามที่เราอยากได้เราก็เสียใจเหตนต้นเหตุของความเสียใจก็คือความอยากของเราเจ้าค่ะจากคุณเปิร์ถามเข้ามาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอคําแนะนํา ในขณะที่เราภาวนาพุทโธความคิดฟุง้งซ่านมักจะเข้ามาแทรกควรกําจัดความคิดนั้นอย่างไรดีคะอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจการเวลาแล้วเราเริ่มต้นฝึกใหม่ๆพุทโธเรามีกําลังน้อยมันยังหยุดความคิดไม่ได้ก็ปล่อยมันคิดไปแข่งกับมันไปมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปแล้วก็พุทโธแข่งกับมันไป ต่อไปพอกําลังของพุโทโธมากขึ้นมากขึ้นความคิดก็จะอ่อนกําลังลงน้อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้เราห้ามมันไม่ได้เราเพียงแต่จะอาศัยพุโทโธยึดใจเราไม่ให้ไปตามมันท่านเองต่อไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรมาเราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความคิดมันก็จะหายไปเชิญค่ะจาก facebook พระทีิศ มาติดอาบาศสังคาทิเศษจะกลับมาบวชใหม่ได้ไหมครับได้ได้ไม่ได้ห้ามเลยเจ้าค่ะจากคุณสายน้ำปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเกิดมาแล้วได้พบธรรมได้ปฏิบัติอย่างกระผมกว่าจะมาเจอธรรมก่อน อายุสาสิแต่บางคนแก่แล้วก็ไม่ได้พบธรรมบางคนพบธรรมแต่เด็กควรทําอย่างไรเพื่อให้ชาติหน้าได้ยังพบธรรมครับถ้าเรามีธรรมมากเท่าไหร่ก็เราจะพบธรรมได้ง่ายขึ้นถ้ามีธรรมน้อยก็จะพบธรรมได้ยากเพราะว่าบางทีพบแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมแต่คนที่มีธรรมมากๆนี่พอพบนิดเดียวก็รู้ว่าเป็นธรรมขึ้นมาทันทีนั้นเราต้องมีธรรมมากๆสะสมธรรมไว้ในใจเรามากๆ แล้วทมนี่จะพาให้เราไปหาธรรมได้ง่ายขึ้นเชาค่ะจากคุณยี่สิบสี่กราบนมักการ์พระอาจารย์วันนี้ฟังธรรมแล้วเหมือนพระอาจารย์เทศให้หนูฟังโดยเฉพาะเลยหนูคิดว่าตัวเองผ่านจุดสตาร์ทคือการทำทานมาแล้วก็จะปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้นไปค่ะกราบสาธุค่ะคุณ อริสาค่ะเวลากลัวตายจากการมีอาการทางร่างกายต้องทำอย่างไรคะรู้สึกจิตใจวางไม่ได้จนแพนิคขึ้นค่ะจะหายจากการปฏิบัติไหมคะต้องพยายามฝึกสติทําใจให้หยุดคิดทําใจให้เป็นสมาธิให้ได้เพราะถ้าเราหยุดคิดได้ความกลัวที่เกิดขึ้นก็จะหายไปแล้วพอเรามีสมาธิมีสติดีแล้ว เราเข้ามาสอนใจด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรามาครอบครองแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาแต่ความตายของร่างกายมันไม่ได้ทําให้เราตายไปกับมันสอนด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวความตายเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วเราก็ห้ามร่างกายไม่ให้ตายไม่ได้ จักคุณก้าอุรากราบเยินถามครับทําสมาธิได้แต่ขั้นคณิกาสมาธิและถอนเข้าได้อีกก็ถอนทําอย่างไรจะดํารงสมาธิให้ถึงปฐมฌานครับต้องเจริญ ส, สติให้มากขึ้นเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องเจริญสติไปเรื่อยๆมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ แล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าไปได้นานขึ้นนึกขึ้นยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะคำถามจากคุณสุรชยัย <ST> การที่เราไปปฏิบัติธรรมแบบปีกวิเวกแล้วเมื่อกลับมาบ้านมีความรู้สึกอยากไปอีกให้นานขึ้นเช่นนี้เป็นกิเลสไหมครับ ไม่เป็นหรอกเพราะว่าเป็นธรรมเพราะว่ามันจะทําให้เราได้ความสุขความสงบที่เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจนั้นมีความอยากแบบนี้ท่านเรียกว่าเป็นฉันทะเป็นความยินดีในธรร ม, มก่อนที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมต้องมีความยินดีในธรรมก่อนพอมีความยินดีในธรรมก็จะฝ่ายหาธรรมอยู่เรื่อยๆพราอฝ่ายหาธรรมอยู่บ่อยๆก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่มีคนอยากจะาถามคําถาม ้าค่ะอีกออขออีกคำถามหนึ่งจาะจากคนเดิมคุณสุรชัยการฟังเพลงที่เกี่ยวกับธรรมะจะขัดต่อการถือศีลแปดไหมครับไม่ควรฟังหรอกเพราะว่ามันก็เป็นเพลงมันอาจจะมันก็ยังเป็นการมันเทิงอยู่ยลึกๆอยู่ฉะนั้นอย่าไปฟังดีกว่าเชิญกรับนะ้ำมัสการขอโอกาสค่ะในกรณีที่โยมปฏิบัติ จเจริญอาณาปานสติจนจิตตั้งมั่นแล้วปรารถนาจ ะ, จะเจริญวิปัสนาโดยจเจริญกรรมฐานธาตุก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีไม่ทราบว่าจะเป็นการใช้ความคิดไปด้วยหรือว่าจริงๆแล้วการจเจริญวิปัสสนาก็คือเรียนรู้กายใจว่าเป็นธาตุหรือเป็นของศูนย์เป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาเหมือนกับเราเรียนรู้วิชาทางโลกอยากจะ ร, รู้วิธีบวกลบคูณหารเราก็ต้องไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จะรู้เรื่องธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาธรรมชาติของร่างกายพระเจ้าให้พิจารณาว่าร่างกายไม่สวยไม่งามมันมีส่วนที่สวยและมันมีส่วนที่ไม่สวยแต่เรามองเห็นแต่ส่วนที่สวยเราเราไปยึดไปติดไปหลงไปรักมันแต่ถ้าเราเห็นว่ามันมีส่วนที่ไม่สวยความรักความยึดติดก็จะหายไปอันนี้คือการศึกษาต้องใช้ความคิดใช่แต่ต้องอย่าไปใช้ตอนที่เราอยู่ในสมาธิเท่านั้น เวลานั่งสมาธิจิตสงบไม่ให้คิดอะไรให้สงบให้นิ่งไปนานเพราะเป็นการชาร์ตแบตเตอรี่ให้กับใจคือการความสงบนี้จะทําให้ใจเรามีอุเบกขาวางเฉยได้เพราะถ้าเราวางเฉยไม่ได้เวลาเราไปพิจารณารมที่มันน่ากลัวบางทีเราก็ไม่กล้าพิจารณาก็ได้ถ้าเราไปพิจารณาซากศพนี้พิจารณาความตายหรือพิจารณาสุภานี้ถ้าใจไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขามันจะมีปฏิกิริยาไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจ ก็ยังไม่สามารถศึกษาความจริงเหล่านี้ได้ดงนั้นเวลาทําสมาธินี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่คือความสงบอุเบกขาให้มีมากๆขึ้นอย่างตอนนี้สงบอย่าไปทําอะไรพยายามประคับประคองความสงบให้อยู่ไปนานๆแล้วถ้าเป็นไปได้เวลาจิตอยากจะออกมาเราก็อย่าเพิ่งว่าให้มันออกมาลองดูลมต่อไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ขั้นต้นนี้พยายามทําสมาธิให้มากๆแล้วต่อไปเวลาเราจเจริญปัญญามันก็จะไปได้ง่าย สาธุค่ะนั่นหมายถึงว่าใ น, ในยามที่โยมสามารถที่จะปฏิบัติสมาธิจนเสร็จสิ้นการปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วมีสมาธิอ่อนๆมีฌานอ่อนๆแล้วโยมออกจากสมาธิแล้วก็ยังคงรับตาพิจารณ า, าธาตุขันพิจารณาอสุภะต่อได้เลยไม่ต้องหลับตาก็ได้โยมทําอะไรก็พิจารณาไปก็ได้เห็นร่างกายของใครก็ดูอาการ32ของเขาไปก็ได้ดูการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายของคนนั้นไปก็ได้ สามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ไม่ต้องหลับตาปึงตาก็ได้เพราะใช้ใจคิดเนี่ยใจไม่ไม่ได้ใช้สายตาฉังนั้นจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่ใจให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นตลายลักษ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดจะทำให้เราทุกข์เพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถสั่งเขาได้เราต้องปล่อยวางทุกอย่างให้ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับอะไร กลับสาธูค่ะกระจางค่ะคำถามจากทางยูทูบใช่หะนั่งสมาธิได้ราวสิบถึงสิบห้านาทีมักชอบตกผวังเคลิมหลับผุ้ไปแก้ไขอย่างไรดีครับความหลับมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันสาเหตุส่วนมากก็คือการรับประทานอาหารมากเกินไปดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยิงต้องลดการกินอาหารลงประมาณสักครึ่งหนึ่ง ถือศีลแปดไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วอันนี้จะช่วยลดความง่วงนอนได้แล้วอีกวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปนั่งสมาธิตอนที่กินอาหารเสร็จใหม่ๆพอเวลากินกินอาหารเสร็จใหม่ๆท้องมันจะตึงหนังท้องจะตึงหนังตา ม, มันจะหย่อนมันจะทําให้ง่วงหมาได้ง่ายถ้าอยากจะไม่ง่วงก็นั่งตอนก่อนกินอาหารถ้าตอนก่อนกินอาหารมไม่ง่วงมันหิว แต่มันจะไม่มีสติอยู่กับการภาวนาเพราะมันจะไปคิดถึงเรื่องอาหารเป็นส่วนใหญ่ดงั้นต้องกินให้น้อยถือสินแปเป็นอย่างน้อยแล้วถ้ามากกว่านั้นอาจจะกินมื้อเดียวแล้วบางคนก็ยังไม่พอก็กินวันเว้นวันก็ได้เจ้าค่จากคุณเที่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้มีภาระดูแลแม่เที่ยวอยู่มากแล้วคิดว่าถ้าแม่เสียชีวิตจ อ, อกบวช ตอนนี้ผมสองฝึกสมาธิสวดมนต์ไปก่อนแบบนี้ทำได้ไหมครับทำได้เตรียมตัวเป็นพระไว้ก่อนพอถึงเวลาไปเป็นพระจะได้ไม่ต้องมาเตรียมเตรียมตัวพร้อมเป็นพระได้ร้อยเอร์เซ็นลยคุณมณนิสาค่ะการหากเรา ยังมีภาระทางโลกต้องทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่เราจะมีโอกาสปฏิบัติจนหลุดพ้นได้ไหมคะก็เราทำในฐานะของผู้คลองเรือนไปก่อนวันพระเราก็ไปเปรียบว่เว่สักวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งปากคนนึ่นช่วดูแลสักวันหนึ่งเราก็ทามุนทำทานรักษาศีลห้าในวันธรรมดาวันพระเราก็ไปถือศีลแปปฏิบัติมสติสมาธิไปทาอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะพ้น ภาละแล้วเราก็จะได้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ต่อไป ม, มีก็มีคาถามนี้รับนมันสการพาระอาจารย์คะเออไม่เคยถือศีลแปดเลยค่ะแต่ว่าอยากจะลองทาดูค่ะขอคำแนะนำพระอาจารย์เคยไปปฏิบัตินอกสถานที่วัดป่าที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ถือศีลแปดรู้สึกว่าเออ ยังไม่สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าชอบขิวข้าวด้วยก็ยังหิวข้าวอยู่ไม่ไหวข้าวเย็นไม่ได้ก็เวลาจะลองมันจะยังไม่คิดที่จะลองจริงๆแต่พอจะลองอดข้าวมันชอบปวดท้องเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากจะตั้งใจทําดูค่ะก็ใช้ปัญญาเสียว่าคนอื่นเขาอดไหมเขาเป็นอะไรไหมอ่ั่นมันเป็นเรื่องของกิเลส ข, ของเรามันสร้างความเจ็บท้องขึ้นมาท่านั่นเอง ไม่ต้องกลัวตายให้มันเจ็บท้องไปดูสิมันจะตายเพราะการเจ็บท้องหรือไม่แล้วเวลาที่อยากจะกินอาหารก็ให้นึกถึงอาหารที่มันไม่น่าดูน่าชมอาหารที่เราเคี้ยวอยู่ในปากอาหารที่อยู่ในลำไส้อาหารที่เราขับถ่ายออกมาถ้านึกถึงาภาพของอาหารเหล่านี้แล้วความอยากกินอาหารมันก็จะหายไปรับประกันได้ว่าไม่ไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพร่างกาย ินเมื่อเดียวแล้วมถือสิ้นแต่นี่ไม่ทำให้ร่างกายเจ็บขไข้ได้ป่วยไรกดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลทำได้ลองทำดูถ้าไม่ทำมันก็ไม่ผ่านสัทีอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะพอดีช่วงหลังๆนี้น้องชวนออทำวัดเย็ยนด้วยกันที่บ้านสวดมนต์ร่วมกันนะคะทีนี้เวลาพอทำไปหลายๆวันแล้วลองไปแล้วพอนั่งสมาธิเดินจงกรมจะมี บทสวดสวนมนต์ขึ้นมาตลอดเลยอย่างนั้นก็ก็ได้ถ้ามันไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นบทสวดสวนมนต์แทนก็ใช้ได้ไม่เป็นไรเพราะปกติก่อนที่จะเริ่มนะคะมันจะรู้สึกว่าสงบได้ได้โดยที่ไม่ได้มีเสียงขึ้นมาอย่างะคะ่ะใช่ดีการไหวพ้พระสวดมนต์นี่ก็เป็นการกำจัดความคิดต่างๆให้น้อยลงไปแล้วอาจจะมีบทสวดสว การสวดมนต์ขึ้นมาแทนที่ก็ไม่เป็นไรเขาการสวดมนต์นี้ไม่ได้ทําใจให้ฟุง้งซ่านทําใจให้สงบได้พีค่ะอาจารย์ค่ะคําถามต่อเนื่องจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะถ้าพ่อแม่เปลี่ยนใจยินดีในการปฏิบัติธรรมของโยมแล้วยินดีให้ใช้เงินกองกลางในการยังชีพช่วงที่ปฏิบัติธรรม จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายไหมคะเช่นพ่อแม่ได้กุศลที่ยินดีในธรรมของลูกยมก็จะปฏิบัติธรรมได้อย่างไม่กังวลดีถ้าเขายินดีก็แสดงว่าเขาก็อนุโมทนาบุญกับเราเห็นเราทําบุญเห็นเราทาสิ่งที่ดีเขาก็อยากจะกสนับสนุนเราเขาก็ได้บุญจากการอนุโมทนาบุญของเขาจากคุณโดรา คุณพ่อฝากทุนการศึกษาไว้ให้ลูกของแม่ใหม่จำนวนหนึ่งแต่ตอนนี้ติดต่อแม่ใหม่ไม่ได้แล้วจะทำยังไงกับเงินจำนวนนี้ดีคะกับสาธุค่ะก็ตัดออกไปจากใจถ้ามันไม่อยู่กับเราก็เสียว่าไม่ใช่เป็นของเราก็แล้วกันค่ะจากเป็ดบุ๊กกราบยนสอบถามพระอาจารย์ถ้าเราทำบุญถือศีลจนเป็นนิสัยถ้าเราตายไปกลับมาเกิด ชาติหน้าเราก็จะทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมใช่ไหมครับจะได้ไม่ทำบาปใช่ไหมครับถ้ามันเป็นนิสัยก็จะทำต่อถ้าไม่เป็นนิสัยก็ไม่แน่แล้วแต่บุคคลที่เราไปอยู่ด้วยว่าเขาจะชวนเราไปทางไหนถ้าเขาชวนเราไปทำบาปเราก็อาจจะไปทำกับเขาก็ได้แต่ถ้าเป็นนิสัยเรามักเรามักจะฝืนถ้าเขาจะชวนเราไปทำบาปเราก็อาจจะไม่อยากจะทำก็ได้ถ้าเป็นนิสัยที่ชอบทำบุญไม่ทำบาป เจ้าหาจากทางเฟซบุ๊กธุรกิจหลักที่ทำประสบความล้มเหลวพอนึกถึงก็ทำให้เกิดความทุกข์อยากฆ่าตัวตายปล่อยวางไม่ได้เลยค่ะก็อยู่เฉยๆมันไปแล้วก็ปล่อยมันไปคิดว่าเราเกิดใหม่ก็แล้วกันเวลาเราเกิดมาใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเราก็มาสร้างใหม่อย่าไปยึดติดกับของที่มันหายไปแล้ว ยิ่งอยากให้มันกลับเกินมายิ่งทําให้เราทุกทรมานใจไม่ใช่ไม่ใช่การหายของของที่ทําให้เราทุกข์ความอยากให้มันกลับมาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์แต่ว่าเราคิดว่าอาจจะเจออุบัติเหตุอุบัติภัยน้ําท่วมไฟไหม้ไม่เป็นไรตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ได้เจ้าคจากคุณ อุราอุราพรขอ้อมกราบเมตตาพระอาจารย์ขออนุ ญ, ญาตถามเจ้าค่ะเวลาเราหลับกายยาบนอนแตบกายในเรายังทำงานใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเวลาตื่นมาเรามีความรู้สึกว่าเรานอนกัดฟันมือเกงอาการนี้เกิดจากอะไรเจ้าค้านอมกราบขอพระคุณเจ้าค่ะเรื่องกัดฟันที่เราไม่รู้หรอกไม่ได้เรียนมาทั้งนี้ แต่ใจเวลาร่างกายนอนหลับใจยังคิดยังทำงานได้อยู่เป็นในรูปแบบของความฝันต่างๆทักษะจากคุณจีฟกรบาบนวัฏสการเจ้าค่ะขอถามว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอะไรหนักสุดคะมโนกรรมเป็นผู้เป็นผู้กระทำและเป็นผู้รับผลของการกระทำกายกรรมวจีกรรมเป็นเพียงเครื่องมือ เหมือนเราใช้มีดไปทำทาโทษก็ได้ทำประโยชน์ก็ได้แต่ผู้ที่รับโทษไม่ใช่มีดมผู้ที่รับโทษคือคนที่ใช้มีดร่างกายกับวาจานี้เป็นเหมือนเครื่องมือเหมือนมีดผู้ที่ใช้ร่างกายก็คือใจดังนั้นใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทำทางกายทางวาจาว่าถ้าทำดีก็จะได้รับผลดีได้ความสุข ถ้าทำไม่ดีทำโทษทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็จะได้รับความทุกข์กับเราร่างกายกับว่าจะไม่ได้รับผลแต่อย่างไรเจ้าค่ะจากทาง YouTube การหาสมบัติเงินทองมีครอบครัวเค่การยุติดรูปรถกลิ่นเสียงใช้หรือไม่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นที่เรามาเกิดกันเพราะเรามีความยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นรถและการที่เราจะเสพรูปเสียงกลิ่นรถได้เราก็ต้องมีร่างกาย เราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายพาเราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ถ้าเรามาเจอธรรมะเราก็อาจจะเปลี่ยนวิธีใช้ร่างกายจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสมาใช้ร่างกายมาเสพ บ, บุญก็ได้มาทําบุญแทนค่ะจากทางจากทางยูทูบถ้ากเกษียณอายุมากแล้วมาบวชปฏิบัติจะเหมาะสมไหมครับจะ ไม่เป็นภาระกับผู้อื่นเวลาเรื่องสุขภาพร่างกายหรือการใช้แรงงานเวลาต้องมีงานสมรวมไหมครับก็อยู่ที่เจ้าว่าผู้ที่จะรับเราเข้าไปบวชว่าท่านจะพิจารณาว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมถ้าท่านเห็นว่าเราเป็นคนแข็งแรงดูแลตัวเองได้ท่านก็อาจจะรับก็ได้แต่ถ้าท่านเห็นว่าเราเป็นคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บติดตัวมามาบวชแล้วจะเป็นภาระกับศาสนาท่านก็อาจจะไม่บวชให้ก็ได้ าจากท้ยนค่ะต้องให้เงินพ่อแม่เท่าไหร่ถึงจะตอบแทนบุญคุณหมดไม่หมดให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดบุญ ค, คุณของพ่อแม่นี้มากกว่าเงินทางทั้งหลายที่เราจะให้ได้วิธีจะทําทให้มันหมดก็ต้องทําให้ท่านเป็นพระโสดาบันปิดประตูาบายได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดในอาบายแต่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสุคติอยู่เจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ทำบุญคนของพ่อแม่นี้ล้นฟ้าพยายามใช้ไปเถิดใช้ได้มากเท่าไหร่ก็เป็นเป็นกุศลเป็นประโยชน์กับเราเพราะเราก็จะมีความสุขจากการได้ทําบุญกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่นี้ท่านเปรียบเที่ยเหมือนเป็นพระอรหันต์ของลูกๆ<ม>เอาแล้วนะวันนี้สําหรับเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ